เจริญพร น, นะเนี่ยจอมก็เป็นประเด็นที่หลวงพ่อก็เข้ามาฟังนะเมื่อกี้ก็ยมเกินก็นิมนต์มาก็เลยเข้ามาแล้วก็ฟังฟังฟังจริงๆในเรื่องนี้มันมันยากก็ยากสุดๆนะแต่ผู้ที่ผ่านแล้วเข้าใจแล้วเนี่ยความยากก็หายไปนะมันก็เป็นความที่แบบเออมันลื่นหนูไปหมดเลยไม่ต้องใช้สมองคิดเนาะคือแบบง่ายๆไปเลย แต่นี้ก็ถือว่าเป็นธรรมดานะเป็นธรรมดาของของกระบวนกา ร, รศึกษาเรียนรู้ธรรมะเพราะว่าธรรมะของพระเทเจ้าเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ก็เรียกว่าเริ่มต้นจากปุถุชนนะต้องศึกษาเรียนรู้จนไต่เต้าเป็นอริยะนะสุดท้ายก็สูงสุดก็คือพ้นจากความเป็นคนเป็นสัตว์คือไม่เป็นอะไรเลยนะไม่กระทั่งเป็นพระอระหันต์จริงๆแล้วเนี่ยโดยสัจจะสูงสุดจัตเจ้แท้เนี่ยก็ไม่มีใครเป็นพระอระหรันต์ มันเป็นแค่สมมุติสมมติสัจจะสมมติบัญญัติขึ้นมาว่าเออพระอาหารหันตุณนะสมบัติอย่างนี้แต่ไม่ได้หมายความว่ามีคนใดคนหนึ่งเป็นพระอาหารหันต์เพราะว่ามันเหนือจากความเป็นคนไปแล้วเพราะฉะนั้นอย่างเราเริ่มจากปุ่ตูชนนะมันก็แน่นอนมันเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจได้แต่ก็ถ้าเปิดใจนะหลวงพ่อก็คงแนะนํากันว่าถ้าเราเปิดใจในสิ่งที่ไม่รู้ฟังผู้ ฟังผู้รู้เนี่ยรู้ปลอมรู้จริงก็ไม่รู้แต่ลองฟังไปก่อนแล้วก็พิจารณาพิจารณาอย่างอย่าเพิ่งเชื่อเพราะว่าถ้าเชื่อเนี่ยมันก็เป็นแค่เหมือนกับว่ามันขาดปัญญาเนาะพินาใจตรองให้เห็นตามที่ผู้รู้เขาอธิบายยกตัวอย่างเพราะว่าการยกตัวอย่างเนี่ยมันเป็นการที่ทำให้ก็เรียกว่าเป็นการาชี้แนะชี้บอกให้เห็นตามเหมือนพระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ย ท่านก็สอนโดยอาศัยคำพูดนี่แหละแต่ว่าอธิบายความเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจตามทีนี้ถ้าผู้ฟังตั้งใจนะด้วยศรัทธาเนี่ยตั้งใจมีสติเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็มีสมาธิเดี๋ยวก็มีปัญญาก็สามารถที่จะเข้าใจได้เข้าใจตามได้ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนทีนี้เราเนี่ยถ้าถ้าเราเปิดใจนะหมายความว่าใครก็ตามที่พูดธรรมะแล้วเราเข้าร่วมมาฟังเนี่ย ฟังดีๆ <imir> ฟังดีๆนะแล้วก็หลวงพ่อเชื่อเลยว่าจะเข้าใจตามในสิ่งที่ผู้พูดพูดได้หรือบางครั้งนะสมมุติเราผู้พูดพูดผิดถ้าเราตั้งใจฟังเราก็จะเข้าใจอย่างที่ผู้พูดเด้เลยแต่ถ้าผู้พูดพูดผิดเราก็จะเข้าใจผิดไปด้วยแต่ถ้าผู้พูดมีความรู้นะแล้วเราตั้งใจฟังเราก็จะเข้าใจอย่างที่ผู้พูดพูด ถ้าผู้พูดรู้จริงเราก็จะรู้จริงอย่างท่านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมะในทุกวันนี้มันก็ไหลาตามก็เรียกว่าฟังแบบไหนล่ะสมมติว่าเราฟังในเรื่องไสยศาสตร์นะเราศรัทธาเราฟังเราก็จะรู้ตามตามที่เขาสอนแบบไสยศาสตร์แต่ถ้าเราฟังพุทธศาสตร์ผู้ที่รู้เนาะเราก็ฟังเราก็รู้ตามอย่างพุทธศาสตร์ตรงนี้แหละมันอยู่ที่ว่าจะเลือกฟังแบบไหน ที่แล้วมาในหลวงพ่อพยายามยกตัวอย่างนะก็เป็นธรรมดาบางคนเข้าใจบางคนไม่เข้าใจทั้งๆที่หลวงพ่อก็พูดเรื่องเดียวกันอ่าอย่างยกตัวอย่างในห้องเนี้ยก็มีเนาะอย่างชุอนอ่าโยมเรงก็ฟังหลวงพ่อมาหลายครั้งเนาะนี่คนเดียวกันแล้วมั้งเนาะใช่ไหมใช่ครับอ่าโอเคนะหลวงพ่อก็เมตตานะคือเราก็เข้าใจแล้วก็ฟังทีนี่อ่า ตามที่เรานั่นก็ปรากฏว่าเออโยมเรียงก็เข้าใจ อ, อย่างๆคือไม่เข้าใจตรงตามที่หลวงพ่อนําเสนอแต่ก็มีหลายคนที่เข้าใจตามที่หลวงพ่อนําเสนออย่างเฉพาะในห้องเนี้อย่างโยมจอมพงเนี่ยโยมอนุนอย่างนเนี้ยอ่าเนี่ยเป๊ะเลยเข้าใจแบบเป๊ะเลยหลวงพ่อพูดยังไงเข้าใจอย่างนั้นเลยเห็นไหมสแสดงว่าหลวงพ่อพูดคนเดียวแต่ทําไมผู้ฟังเนี่ยเดี๋ยวคิดหลวงพ่อพูดนะไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ผมครับ วันนั้ผมพูดถึงคำสอนพระสัมมาสัพพุทธเจ้ามันไม่โตกระที่หลวงพุทเจ้าสอนในรคันทาห่าวันนั้ไม่ใช่ความคิดผมความคิดนั้นสัมมาสัพพุทโธโอเคโอเคโอเคเข้าใ์นะแต่ว่าหมายความว่าในสิ่งที่หลวงพ่อพูดเนาะแต่ว่าคนฟังเนี่ยตั้งหลายคนแต่บางบางคนก็เข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อนำเสนอบางคนไม่เข้าใจทาไมมันเป็นอย่างนั้นอย่างเมื่อกี้เนี่ยหลวงพ่อว่านั่งฟังอยู่ถามว่าเกลือเค็มไหมเนี่ย คำถามยิงไปปั้งเกลือเค็มไหมคำถามอย่างเดียวแต่ผู้ตอบมีสองแหละอีกคนหนึ่งเค็มอีกคนหนึ่งไม่เค็มมันเพราะเหตุใดอ่ะนี่แสดงว่าสติปัญญามันไม่เท่ากันแต่เราโอเคอาจจะไม่ได้ชี้บอกว่าใครมากกว่าน้อยกว่าแต่ว่าเราลองพิสูจน์ตามความเป็นจริงสิว่าตอนนี้เกลือเค็มไหมอ่ะเอาปัจจุบันตอนนี้เดี๋ยวเนี้ยปรากฏว่าหลวงพ่อเชื่อเลยไม่มีใครเค็มสักคนหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้ชิมเกลือ แล้วทำไมบอกว่าเค็มก็เพราะว่าจำได้ไงสมัยก่อนครั้งก่อนเคยชิมมาแล้วในขณะปัจจุบันนั้นๆ่ะขณะผัดสะเนี่ยใช่มันมีรถเรือแล้วก็อย่างนั้นเขาเรียกว่าเค็มเค็มจริงๆแต่เดี๋ยวนี้ล่ะไม่เค็มกราว่าไม่มีใครเค็มสักคนถึงถามว่าเกลือเค็มไหมก็ตอนนี้ไม่เค็มอ่าตรงนี้แหละพระพุทธเจ้าสอนจึงบอกว่าให้รู้ปัจจุบัน เพราะนั้นเนี่ยความแตกต่างระหว่างการรู้จํากับรู้รู้จริงเนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วรู้จําคือจําได้ถามว่าผิดไหมมันเหตุผลของบางคนบ้าครับเอาเอาอย่างนี้ก็ได้คืออย่างนี้หลวก็ก่อแนะนําเลยบอกว่าลองฟังลองฟังคนอื่นก่อนลองฟังก่อ น, อ น, นฟังให้อันนี้คือเหตผลที่ หลวงพ่อบอกใช่ไหมบอกว่ามันไม่ได้สัมผัสที่ิ้นใช่ไหมแล้วหลวงพาก็บอกว่าฝักผมมาผิดเลยอย่างเงี้ยแต่แค่ความจำมันได้เกิดขึ้นจริงอย่างเงี้ยครับถ้าอยากลองฟังเลยนะครับว่าผมก็ศึกษาตามคำสอนของสมณะสัมพุทธเจ้าอผมเข้าใจว่าทําไมมันเกิดขึ้นมันสัมผัสได้ยังไงเงี้ยครับอยากลองฟังไหยครับอ่เดี๋ยวก่อนนะพอดีหลวงพ่อไม่มีเวลาเยอะเท่าไหร่นะคืออย่างนี้อย่างแม้กระทั่งว่าคําพูดเนี่ยจริงๆอนะนะสมมติว่าเราอ้างว่า คำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาแค่ประเด็นนี้นะแค่ประเด็ น, น, นเนี้ยว่าคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยลองพิจารณาแบบแบบจริงๆกันเลยว่าทําไมเราจึงรู้ว่าพ <some> ระพุทธเจ้าสอนแบบนี้ให้ลองพิจารณาดูว่าทําไมจึงรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนแบบนี้ ถ้าเราไม่อ่านถ้าเราไม่ได้ยินถ้าเราไม่ฟังมาเราจะไม่รู้เรื่องนี้สแสดงว่าที่เรารู้เรื่องนี้ว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้สแสดงว่ามีผู้บอกมาพอเราได้รับการได้ยินได้ฟังเราจึงเชื่อว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการเชื่อแบบสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาอันนี้ไม่ได้ชี้ว่าผิดว่าถูกนะแต่หลวงพ่อกาลังชี้บอกถึง ที่มาที่ไปว่าทำไมเราจึงรู้อย่างนั้นทีนี้ถ้าเราไม่เคยได้ยินนะไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังไม่เคยได้อ่านว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรเราจะไม่รู้เลยมีคนถามว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรบอกไม่รู้ทำไมไม่รู้เพราะไม่เคยฟังไม่เคยอ่านนะเพราะฉะนั้นคนไหนที่ได้ยินได้ฟังได้อ่านมาก็ต้องตอบอย่างนั้นก็ถูกแล้วแต่หลวงพ่อจะบอกว่าการที่เราแบบเนี้ยมันก็แบบความรู้ที่ได้มาเพราะได้ยินได้ฟัง แต่ถ้าของจริงพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสรู้เพราะอะไรเพรารู้ด้วยพระองค์เองนั่นหมายความว่าไม่ต้องให้คนอื่นมาบอกไม่ต้องให้คนอื่นมาสอนแต่รู้เป็นด้วยตัวท่านเองแล้วรู้ถูกต้องด้วยแล้ววิธีรู้ท่านก็สอนเรวาว่าวิธีรู้เนี่ยต้องรู้อย่างไรเรื่องสติปัฏฐานนี่แหละคือเดินยืนนั่งนอนก็รู้รู้ตอนไหนก็ขณะที่กําลังปัจจุบันเดี๋ยวนี้ เพราะฉะนั้นวิธีทางของท่านเนี่ยให้รู้จริงอย่างท่านเนี่ยก็คือสติปัฏฐานเท่านั้นแหละถึงจะรู้จริงอย่างที่ท่านท่านสอนถ้าไม่อย่างนั้นนะเราก็จะไปยึดว่าท่านสอนอย่างนั้นโอเคเราไม่ว่าแต่ว่าพี่นาดูดูดีๆว่าความรู้เหล่านั้นน่ยคนอื่นบอกแต่ถ้าสติปัฏฐานเนี่ยเวลามันรู้สึกตัวเนี่ยต้องมีคนอื่นบอกไหมเช่นตอนนี้นั่งอยู่เนี่ยไม่จําเป็นแล้วถ้ารู้เป็นนะว่าตอนนี้นั่งอยู่ยืนเนี่ยมันจะรู้เลยว่าเออตอนนี้นั่งอยู่คนอื่นจะบอกว่าคุณยืนอยู่ยืนอยู่ ยังไงก็ฟังไม่ขึ้นเพราะรู้ด้วยปัจจุบันรู้ปัจจุบันรู้เองว่าเออตอนนี้กําลังนั่งอยู่เพราะฉะนั้นการรู้ด้วยตนเองเนี่ยก็คือเดี๋ยวนี้ตอนนี้แล้วถึงจะรู้ถูกต้องรู้ถูกต้องจริงๆแต่ถ้าเราพูดไปแล้วตอนนี้หลวงพ่อกำลังพูดประเด็นว่าการรู้จริงกับรู้ไม่จริงสิ่งใดที่เอามาพูดเอามาเล่าเอามาบอกอันเนี้ยมันยังรู้ไม่จริงเพราะว่าเวลาพูดเนี่ยมันเป็นอีกสิ่งหนึ่ง เวลาบอกมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งหลวงพ่อยกตัวอย่างนะเวลาเสียงดังเนี่ยเสียงนกร้องเนี่ยนกร้องเนี่ยนกเอี้ยงร้องไงเอียเอ้ยงเอี้งอะไรนี่ น, นะเอาปัจจุบันก็ได้ตอนนี้ได้ยินเสียงอะไรละสมม่าเราโ ย, ยมได้ยินเสียงว่าเสียงดังป๊อกปอกนะพี่นาดูดูนะว่าไอเสียงที่มันได้ยินจริงๆอ่ะมันดังยังไงแล้วพอเรามาบอกคนอื่นว่าเสียงดังป๊อกปอกเนี่ยไอคำว่าป๊อกๆเนี่ยมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่สิ่งนู้น เห็นไหมมันคนละสิ่งกันเลยแต่สิ่งนั้นนะมันพูดไม่ได้เพราะมันเฉพาะตัวนะแต่ไอายปกๆเนี่ยเรามาเรียนเสียงเพื่อให้มันคล้ายคลึงแต่มันก็ไม่ใช่เสียงโน้อนอยู่ดีนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นการรู้จริงๆเนี่ยคือมันต้องรู้แบบไม่ใช่มาปรุงมาแต่งมาพูดมาคิดแต่มันรู้แบบหมดคําอธิบายเลยเป็นปัจจตังแต่เราก็เอาคําพูดเหล่าเนี้ยมาพูดมาบอกว่าเออมันเป็นอย่างนั้นเพื่อนําร่องนําทาง แต่จริงๆรู้จริงรู้แท้เนี่ยมันพูดไม่ได้เหมือนเจ็ดเหมือนเกลือเค็มเนี่ยวันก่อนก็คุยกับโยมว่าไหนคุณลองอธิบายเกลือเค็มที่เป็นยังไงหลวงพ่อก็บอกว่าเออไอ้ที่คุณพูดมามันไม่ได้เค็มหรอกมันเป็นแค่เสียงหรือว่าปากขยับหรือว่าเป็นอะไรอีกสิ่งหนึ่งแต่รสชาติของเกลือหนูมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งแต่สิ่งนั้นมันพูดไม่ได้มันอธิบายไม่ได้เพราะนั้นโยมลองพิจารณาดูดดีๆนะเวลาธรรมะมันลึกซึ้งขนาดไหนมันไม่อาจจะ สอนกันได้พูดกันได้โดยโดยถูกต้องแต่ก็แค่เป็นนำร่องนำทางเฉยๆแต่ของจริงนู่นมันเหนือคำพูดไงเพราะนั้นค่อยๆฟังนะลกูลกหนูเราหลวงพ่อดูแล้วนะว่าเธอก็เป็นคนที่มีความตั้งใจนะแต่ทางเป็นไปได้คือเปิดใจแล้วฟังแต่อย่าเพิ่งเชื่อใครแล้วเปิดใจแล้วก็ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าไอ้ที่เขาพูดมาเนี่ยมันใช่หรือเปล่า น, นอย่างนี้แล้วก็เธอจะเป็นคนเก่งที่สุดเพราะว่าเธอมีประสบการณ์ในเรื่องความไม่เชื่อคนเนี่ยแบบก็เรียกว่าอะไรนะมันมันเชื่อยากนะเนาะแต่เมื่อผ่านการพิสูจน์แล้วพอพิสูจน์ปั๊บเนี่ยเห็นจริงแล้วก็เธอก็สามารถสอนคนอื่นได้หมดแต่ขอให้รู้ก่อนให้รู้จริงก่อนแล้วก็เธอจะเป็นผู้ช่วยคนได้เยอะหลวงพ่อพูดแค่นี้ก่อนนะอยากลองฟังไหมครับเตาเอเป็นคิมยัย เดี๋ยวให้โอกาส อ, อยอมเรียนก็ได้อธิบายเรื่องความเค็มของของเกลือเนาะเออเอาเต็มที่เลยว่าอธิบายแล้วมันคนฟังแล้วมันเค็มปีจริงหรือเปล่าเราล อ, ล, อลองดูน ะ, ะเ่ราะเวลามีคนทำของเกลือเค็มไปใช่ไหมครับสิ่งที่เเราจะประบกอกไปด้วยอ่าใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นมั น, นก็คสัญญาสัมพันธ์มันจำได้ใช่ไหมครับสิ่งเนี้ยถ้าเรามีสมาธิกับสติที่ดีนเนี่ยครับ โดยที่เราไม่ได้ช้วความคิดเร า, าสติไปรู้ว่าครับสิ่งที่ปรากฏป็นคือสัญญา เ, เราลองไปถามคนที่คนทั่วไปครับคนที่เขาไม่ได้ศึกษาธรรมาอะไรเงี้ยครับเราลองไปถามเขาจะตอบเลยครับว่าเกิดนคว่า เ, าเกิดข้อะไรับันเป็นสัญญาที่เนี้ยถ้าเป็นคนที่มีสัมมาสติกละสัมมาสมาธิที่ตั้งมั่นนะครับเขาจะเห็นกับว่าสิที่ปรากฏนั้นนะ คือสัญญาแต่ว่าที่หลวงพ่อพูดถึงเนี่ยครับให้การที่ปรากฏทางลิ้นเนี่ยครับมันก็มันคือการเอาเกลือมาแตะที่ลิ้นใช่ไหมครับมันก็คือหมูตาจมูิ้กายใจใช่ไหมครับมันคือกาัาที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับแต่วิญญาณเนี่ยวิญญาณมันสามารถรับรับรู้ได้ตัง้งแต่รูปและก็นานะ วิญญาณก็รับได้ครับรูกวิญญาณก็รับได้ครับมันก็จะเป็นเกิดไม่เล่ก็เลยครับวิญญาณที่ ท, ที่ที่ตัวนั้นนะครับเป็นเช่นตาไม่เล่นจักรสุวิญญาณใช่ไหมครับทีเนี้ยถ้าคนถ้าคนที่เขามีสติอยู่กับปัจจุบันจริงๆนะครับเขาจะเห็นเขาจะเข้าใจครับว่าสิ่งที่ปรากฏแถวนั้นมันคือสัญญา ม, ม, ม, มันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าเกลือที่ต้องมาสัมผัสจิตเพราะว่าเวลาคุยเนี่ยมันคุยกันโดยนามธรรมมันไม่มีเกลือไมาอยู่จิงอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ปรากจริงๆครับถ้าถ้าถ้าดูจริงๆจะเห็นว่ามันปรากฏสัญญาปรากฏสิ่งนี้ต่างหาครับที่เกิดขึ้นจริงครับเพราะว่าการพัฒนาไม่มีใครเกลือมาให้รอ สิ่งที่ผัพูดจริงๆคือสัญญาและสำคัญที่มันแตกขึ้นมาอันนี้ไม่ต้องเชื่อผมครับเรารู้ครับแล้วก็สีผ ม, พ, ผม พ, พูดเนี่ยก็ตรง ศึกษากันเนาะเออค่อยๆศึกษากันเพราะว่าเรื่องเนี้เป้าหมายสูงสุดคือสอนก็คุยกันก็เพื่อความเห็นถูกต้องนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันถึงก็เรียกว่าเป้าหมายปลายทางก็เรียกว่าที่สุดแห่งทุกนะเราเราไม่ได้คุยกันแค่ว่าผิดถูกว่าคนนั้นผิดคนนี้ถูกเราไม่แค่แค่นี้ไม่ใช่ว่าเอออธิบายกันจนกระทั่งละเอียดละออมันก็ไม่ใช่แค่นั้น แต่เป้าหมายสูงสุดคือลาปล่อยวางเนาะคือมันพ้นตรงนว้นจริงๆแต่ทีนี้ถ้าเรามาติดประเด็นอยู่ที่ตรงเนี้ยมันก็ไม่ไปถึงไหนมันไม่ไปถึงไหนเพราะนั่ง ค, ค่อยๆค่อยๆฟังกันไปนะเพราะว่ามีทั้งคนรู้บางคนไม่รู้นี่แหละธรรมะมันก็คุยกันอย่างเนี้ยเนาะเออแต่อยู่ที่ว่าตั้งใจกันแค่ไหนอะเออก็ฟังเป็นเป็นสุดธมปัญญาจากการฟังไปก่อนแล้วก็พิจารณ์เนาะก็ ใจเย็นๆกันทั้งหมดแหละก็เดี๋ยวก็รู้เองอืมชาตินี้ <laughs> ต้องไม่ตายเด้วยวก่อนเนาะเอออาก็เชิญต่อเนา ะ, ะใครก็ได้หลวอพ่อก็ฟังไปเรื่อยๆ <c oughs> ก็เออนะพวกเราก็ค่อยคุยกันนะเพราะว่ามันมันมีประโยชน์แน่แหละจากการสนทนาธรรมเนี่ยขอให้เปิดใจทางเพศนั้นแหละเพราะว่าบ่ายจะถึงมาขั้นนี้มันก็ผ่านความผิดความถูกอะไรไมาเยอะแยะนะ จนกระทั่งว่าเออพบครูบาอาจารย์ดีท่านก็บอกให้พอบอกให้เสร็จเราพอ น, น้อม้าไปฟังได้พินาก็เห็นตามอย่างหลวงพ่อพูดเนี่ยวันก่อนก็เล่ามาเป็นประสบการณ์ว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านบอกว่าการเห็นนะี่ยนะทุกอย่างที่มันปรากฏขึ้น่ะเป็นสิ่งถูกเห็นแต่ผู้เห็นไม่มีเนี่ยอย่างที่ยันจอมพงโพูดเมื่อกี้มีแต่สิ่งถูกเห็นแต่ผู้เห็นไม่มี หลวงพ่อด้วยศรัทธาของครูบาอาจารย์นะก็น้อมน้อมเข้าไปรับว่าเอออาจารย์พูดอย่างนั้นกคงไม่ผิดหรอกแต่เราปัญญาเราไม่ถึงเพราะว่ายังเถียงอาจารย์อยู่ว่าก็เราเป็นคนเห็นน่ะเราเป็นคนเห็นน่ะไปยืนดูอะไรทุกทีก็ยังเถียงว่าเราเป็นคนเห็นเราเป็นคนเห็นออตรงนี้ไงแต่อาจารย์บอกว่าไม่มีผู้เห็นคำว่าผู้เห็นในที่นี้หมายความว่าผู้เห็นที่อ่เป็นตัวเป็นตนมีการยึด ยึดถือนะยึดถือสภาพการเห็นเนี่ยซึ่งการเห็นเนี่ยเป็นสัมผัเป็นสภาพธรรมะที่มีอยู่จริงเห็นเนี่ยมีอยู่จริงไม่มีใครปฏิเสธหรอกแต่ด้วยความไม่รู้ด้วยความหลงอวิชชาเนี่ยก็ไปยึดถือสภาพธรรมะที่เห็นเนี่ยมาเป็นเราเนี่ยถ้าไม่ยึดเนี่ยมันก็มีแต่สภาพธรรมะที่เห็นนี่ถ้าไม่ยึดนะมีแต่เห็นสักแต่เห็นแต่ไม่มีผู้เห็นไม่มีตัวตนของใครเป็นผู้เห็น แต่ด้วยอาวิชาของหลวงพ่อนี่แหละก็บอกผมเป็นคนเห็นเนี่ยผมยืนดูอยู่เนี่ยผมยืนมองอยู่ไอ้สิ่งที่เห็นก็อยู่ตรงโน้นแต่ผมผู้เห็นเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมมันยืนห่างๆกันอยู่รู้ชัดมากเลยว่าผมเป็นคนเห็นแต่ทีนี้มันไม่ยอมไงไม่ยอมตรงที่ว่าในเมื่ออาจารย์บอกว่าไม่มีผู้เห็นต้องพิสูจน์พิสูจน์ก็เพ่งเข้าไปดูอะไรอะดูนาฬิกาดูสิ่งที่ติดอยู่ที่ผนังอะไรเพ่งเข้าไปเพ่งเข้าไปเพ่งเข้าไป เพ่งไปเพ่งมามันมาเห็นตัวเราเข้าอสิว่าไอ้ตัวเราเนี่ยโอ้มันก็เป็นสิ่งถูกเห็นเหมือนกันพอแค่นี้มันแจ่มชัดเลยชัดเจนเลยว่าอ๋อไอ้ธรรมชาติที่เห็นเรานั่นแหละมันไม่ใช่เราแต่มันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่จริงเป็นสัจจคที่มีอยู่จริงเพราะถ้าไม่มีอยู่จริงจะเห็นเราได้ยังไงก็เลยว่าอ๋อเราเป็นสิ่งถูกเห็นไปเสียแล้ว เราเป็นสิ่งถูกเห็นไปเสียแล้วแต่สภาพธรรมชที่เห็นมันไม่ได้เป็นเราแล้วมันก็ร้ายก็เรียกว่ามันร้ายรูปลักรูปพันสันฐานนะมันสิ้นความปรุงแต่งเพราะตัวเราทั้งตัวเนี่ยที่ประกอบขึ้นร่างกายจิตใจเนี่ยรูปธรรมนามธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งถูกเห็นไปหมดแล้วมันเป็นสังขารแต่ธรรมชาติที่เห็นเราอ่ะมันพ้นไปจากสังขาร ก็เลยนี่แหละว่าที่พระพุทธเจ้าท่านพูดถึงว่าไอาสัตยธรรมแท้เนี่ยแท้เนี่ยก็คือไม่เปลี่ยนแปลงไม่ปรุงแต่งพ้นพ้นโล ก, พ, โลกพ้นโลกก็สู่วิมุติเป็นวิมุติไปก็เลยเข้าใจเลยว่าธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ว่าธรรมชาตินี้มี2 อ, อประเภทคือประเภทปรุงแต่งเขาเรียกว่าสังขารสังคตธรรม แล้วก็ธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเขาเรียกว่าวิสังขารหรืออสังขตธรรมเป็นของที่คู่กันเป็นของที่คู่กันไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งเดียวกันเป็นสิ่งเ้าเรียกว่ามันคู่กันมันเป็นธรรมชาติถ้าพูดให้เข้าใจใง่ายๆก็คือว่าสังขารเนี้ยสังขารปรุงแต่งมันก็ปรุงแต่งบางเนี้ยไม่จบไม่สิน้นส่วนวิสังขารเป็นอมาตะก็คือไม่ปรุงแต่งเหมือนกันนานเท่าไหร่ y, ก็ไม่ปรุงแต่ง อดีตก็ไม่ปรงแต่งปัจจุบันก็ไม่ปรงแต่งอนาคตก็ไม่ปรแ ง, แ ง, งแต่งแต่ไายสังขารอดีตก็ปรุงแต่งปัจจุบันก็ปรุ ง, งแต่งอนาคตก็ปรุงแต่งมันก็มีคู่เหนแบบนี้แหละตรงนี้พอได้จุดอย่างเนี้ยมันก็ทําให้การปฏิบัติที่ผ่านมาเนี่ยมันผิดเพราะที่มันผิดเพราะมันไม่รู้ความจริงของ้อนี้ปฏิบัติผิดก็คือพยายามไปจัดการสังขารให้มันเป็นวิสังขาร น, นะไปจัดการสังขารที่มันปรุงแต่งเนี่ย ไปทําพยายามสุดความสามารถเพื่อที่จะให้มันไม่ปรุงแต่งยมดูสิมันเป็นไปได้ไหมในเมื่อพระเจ้าท่านบอกว่าอนัตตาอนัตตาเนี่ยหรือสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยแล้วอัตตาตัวไหนจะไปไปไปอะไรล่ะก็ เ, เรียกว่าไปทําอนัตตาให้มันเป็นแบบให้มันแบบไม่ปรุงแต่งอ่ะไม่ได้ทีนี้ถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ก็ให้มันปรุงแต่งก็ปรุงแต่งไปสิ ส่วนธรรมชาติไม่ผงแต่งมันก็มีของมันอยู่แล้ว ก, ก็มีอยู่งั้นไปโดยที่ว่าไม่มีใครต้องไปทำอะไรพระพุทธเจ้าก็สอนความไม่มีตัวตนใช่ไหมอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเอาตัวเราไปทำอะไรอย่าเอาตัวเราไปทำสังขารที่มันปรุงแต่งให้มันไม่ปรุงแต่งแล้วก็อย่าเอาตัวเราทำเป็นไม่สังขารคือซื่อบื้อไปเลยสะกดไปเลยมันนิ่งเฉยไม่คิดไม่นึกโหผิดหมด เพราะนั้นเนี่ยจริงๆการปฏิบัติธรรมถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยมันไม่ต้องทําอะไรเพราะธรรมชาติมันมีอยู่แล้วมันก็เป็นเช่นนั้นเองก็คือเนี่ยเอาปัญญาเนี่ยสติปัญญาเนี่ยเห็นตามความเป็นจริงในปัจจุบันว่าอะไรที่กําลังปรากฏก็แค่รู้ว่ามันกําลังปรากฏแล้วก็ส่วนธรรมชาติที่ไม่ปรากฏมันก็มันมีอยู่แล้วแต่ตรงเนี้ยมันดูยากเพราะว่าสังขารมันไปบังแท้แต่ว่าถ้าฟังให้ดีๆีเนี่ยลองมองพิจารณาดีๆเนี่ยว่าไอเวลาสังขารมันเกิดขึ้น ตอนมันเกิดอ่ะมันก็ต้องเกิดมาจากความไม่มีใช่ไหมอ่ะไอะสิ่งที่เกิดเนี่ยมันก็ต้องผุดมาจากความไม่มีเนี่ยดู ง, ง่ายๆเลยมันต้องผุดมาจากความไม่มีแล้วก็เมื่อผุดขึ้นแล้วมันก็ต้องดับดับตรงไหนมันก็ดับตรงที่มันเกิดนั่นแหละแล้วก็ไอความไม่มีมันก็ยังเป็นความไม่มีอยู่ตลอดไปก็หมายความว่าความมีนะมันจะปรากฏหรือไม่ปรากฏก็แล้วแต่ แต่ความไม่มีความไม่ปรากฏเนี่ยมันเป็นนิรันดร์เป็นนิรันกาญอยู่แล้วเดี๋ยวตายกตัวอย่างให้เข้าใจนะหลวงพ่อเคยเข้าใจเรื่องเนี้ยก่อนที่จะเข้าใจเรื่องอื่นๆมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อเนี่ยกำลังสนทนาธรรมกับเพื่อนพระนะกำลังช่วงโพเพอดีประมาณหกโมงกว่าๆแล้วก็ระหว่างคุยกันเนี่ยมันมีนกอยู่ตัวนึงบินผ่านหัวไปร้องแค่ๆสองขณะนะได้ยิน แคกแแล้วก็พอมันบินไปอีกหน่อยมันก็ร้องอีกแคกแอ่านะสองขนาะไอ้ตรงนี้มันเกิดการปิ้งขึ้นมาว่าไอ้แคกแคอ่ะโหชัดมากเลยแคกแรกแล้วก็ดับแล้วก็แค็กที่2ขนาดมันทีกันนะแคกแคเนี่ยสองขนาดเนดี่ยมันเห็นช่องว่างระหว่าง RC, แค็กแรกกับแคกที่สอ ง, งเห็นความความดับแล้วก็พอเว้นช่วงอีกหน่อยมันก็มีแคกแคอีกสองขนาดแล้วตรงนี้มันเกิดการเฉลียวใจขึ้นมาว่า ไอ้เสียงที่ดังอ่ะนะมันก็แค่เขาเรียกว่ามันแค่เกิดแล้วก็ดับในตอนนั้นเลยเกิดแล้วก็ดับเลยแต่ไอ้ที่มันไม่แค่แค่อ่ะมันมีอยู่เดิมแล้วนะมันมีอยู่ก่อนแล้วมันมีมาตั้งนานแล้วไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่พอรู้จักตรงนี้เสร็จแล้วมันก็รู้เลยว่าอ๋อไอ้สิ่งเกิดดับมันก็เกิดตรงนั้นแล้วมันก็ดับตรงนั้นเกิดตรงไหนเกิดตรงที่ไม่มีแค่แค่กันแหละเออ แล้วพอมันแคกเสร็จแล้วมันก็ดับไปสัญญาณอาจจะไม่ดีนะโยมเสียงหาดไปเท่าที่ฟังได้เนาะพอพอรู้จักตรงนี้แล้วเนี่ยมันรู้จักเขาเรียกว่ารู้จักดั้งเดิมของมันว่าอ่าอย่งนี้รู้จักไอสิ่งที่มันไม่ใช่ดั้งเดิมก็คือเสียงมันไม่ใช่ดั้งเดิมเพราะเป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดและก็เพิ่งดับแต่อาดั้งเดิมของมันอ่ะก็คือความไม่ปรากฏแห่งเสียง รู้จักดั้งเดิมน ะ, ะรู้จักว่าโอ้ไอ้ดั้งเดิมของธรรมาชาตินี่คือความไม่ปรากฏความไม่ปรากฏนี่มีอยู่ก็เลยเข้าใจตรงนั้นมันเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะอกอเข้าใจแล้วก็มันไปเทียบเคียงกับอย่างอื่นหมดเลยว่าไอ้คนเราทั้งตัวก่อนเกิดมันก็ไม่มีตัวไม่มีแขนไม่มีขาไม่มีอะไรแต่ความไม่มีอมันมีอยู่ก่อนแล้วแล้วพอเกิดแล้วก็ตั้งอยู่ได้สักพักหนึ่งแล้วสุดท้ายมันก็ดับไปสู่ความไม่มีอีก ก็เลยโอเข้าใจเรื่องตัวเราว่าไอ้ตัวเรามันก็ของเกิดมาทีหลังแล้วก็ตายตายดับไปแต่ไอ้ความไม่เกิดไม่ตายมันมีอยู่ก่อนแล้วแล้วก็สามารถมันไวมากนะปัญญามันจะเกิดก็สามารถที่จะเข้าใจทุกเรื่องเลยว่าสิ่งเกิดสิ่งดับอ่ะมันก็เพิ่งเกิดหมดแต่สิ่งไม่เกิดไม่ดับมันมีอยู่ก่อนแล้วแต่ไอ้ตรงเนี้มันยังไม่เข้าใจลึกซึ้งถึงใจอ่ะเพราะมันยังเป็นสิ่งถูกรู้อยู่เลย ว่าไอเสียงที่เกิดดับก็เป็นสิ่งถูกรู้แล้วธรรมชาติที่ไม่เกิดอ่ะไม่ดับมันก็ยังเป็นสิ่งถูกรู้อ่ะเนี่ยมาอั น, นี่มารู้ทีหลังว่ามันเป็นสิ่งถูกรู้แล้วมามองอีกทีเอ้าแสดงว่ามันต้องมีผู้รู้ดิมันต้องมีธรรมชาติรู้มารู้สิ่งที่เกิดดับแล้วก็มารู้สิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ฟังอาจารย์ต่ออาจารย์มว่าคนที่หลวงพ่อศรัทธาเนี่ยนะ อาจารย์พูดถึงสิ่งที่เกิดดับในใจเมื่อกี้ที่หลวงพ่อพูดมานะหลวงพ่อพูดถึงสิ่งที่เกิดดับนอกตัวเกิดดับในอวากาศเกิดดับในความว่างแต่อันนั้นมันสิ่งที่อยู่นอกตัวแต่จริงๆาการเรียนเพื่อความพ้นทุกข์นี่มันต้องรู้เรียนรู้ในตัวใช่ไหมแต่นี้อาจารย์ท่านบอกว่าลองสังเกตสิสิ่งที่เกิดในใจอ่ะ นะสิ่งที่เกิดในใจมันเป็นสิ่งเกิดสิ่งดับอารมณ์ต่างๆความคิดความโกรธความโลภความหลง่ะมันเป็นสิ่งที่ปรากฏพวกเหล่านี้ปรากฏแล้วก็หมดไปปรากฏแล้วก็หมดไปหรือมันก็ปรากฏทั้งปีทั้งชาติช่วงที่มีชีวิตยอยู่เยสามารถพิสูจน์ได้ในตั้งแต่เกิดเนี่ยจนกระทั่งปัจจุบันนี้อารมณ์ต่างๆความคิดต่างๆความรู้สึกต่าง ๆ, ๆมันก็ยังไม่จบมันก็เกิดเกิดดับๆับนะถามว่ามันเกิดดับที่ไหนมันก็เกิดดับที่ใจอ่ะ แต่ทีนี้ไอ้คำว่าใจอ่ะอย่าลืมมันเป็นคำสมมติเรียกแต่ก็ตรงเนี้ยสามารถที่จะเข้าใจได้ถ้าเราฟังให้ตลอดในเมื่อเราสมมติกันว่าความโกรธความโลภความหลงอารมณ์ต่างๆมันมีการเกิดดับโอเคยอมรับได้ว่ามันเกิดดับจริงๆแล้วถามว่ามันเกิดดับที่ไหนกลางอากาศไหมเราว่าก็ไม่ใช่แล้วทีนี้มาสมมติคาขึ้นมาว่ามันต้องเกิดดับในใจเออ หลายคนก็เคยพูดบ่อยๆว่าอ๋อสิ่งพวกนี้มันเกิดที่ใจมันก็ดักที่ใจนะเพราะฉะนั้นจะต้องทำความเข้าใจเรื่องใจนี้ให้ดีนะใจนีมันอย่าลืมนะตรงนี้อย่าลืมนะขอแค่เป็นคำสมมติเรียกเท่านั้นเองเพราะว่าถ้าไม่สมมติเรียกเราจะแยกนะเราจะแยกสิ่งที่ปรากฏกับสิ่งที่ไม่ปรากฏไม่ได้นะทีนี้หลวงพ่อสมมติขึ้นอย่างนี้สิ่งที่ เกิดดับในใจนะอันนี้เข้าใจได้ว่าคือเป็นสิ่งที่ปรากฏนะปรากฏแน่นอนทุกคนรู้ได้แต่ใจนะสิตรงเนี้ยต้องมาเข้าใจให้ตรงกันว่าใจคือสภาพธรรมะที่มีอยู่จริงเหมือนกันแต่ขอตั้งชื่อว่าใจสภาพธรรมะที่มีอยู่จริงมียังไงคือเป็นความว่างเปล่าเป็นความไม่ปรากฏอะไรเลยแต่สิ่งที่ปรากฏต่างหากปรากฏแล้วก็ดับไป แต่ใจเป็นธรรมชาติเป็นความจริงที่มีอยู่ไม่ปรากฏเพราะถ้าสิ่งใดปรากฏสิ่งนั้นไม่ใช่ใจใจจึงเป็นอุ ป, ปมาณะเทียบคล้ายๆเป็นความว่างเป็นความไม่มีแต่มันมีมีความไม่มีแต่ถ้าพูดถึงเป็นความว่างเป็นความไม่ปรากฏก็เหมือนกับข้างนอกกั่นข้างนอกคือเหมือนที่หลวงพ่อยกตัวอย่างเรื่องเสียงนะใจมีลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นคือ เป็นความไม่ปรากฏและมันไม่ปรากฏมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะสิ่งใดปรากฏสิ่งนั้นไม่ใช่ใจพอเข้าใจอย่างนี้จะรู้เลยว่าอ๋อสิ่งที่ปรากฏมันเป็นสังขารปรุงแต่งเกิดดับแต่ใจเป็นวิสังขารเป็นความไม่เกิดไม่ดับแต่ใจมันมีคุณสสมบัติพิเศษก็ตรงที่ว่าใจเนี่ยมีความรู้มันรู้อะไรก็รู้สิ่งที่เกิดที่ดับนั่นแหละ ใช่ไหมรู้ถึงความคิดเกิดมันก็รู้ความคิดดับมันก็รู้ อ, อารมณ์ความรู้สึกโทสะเกิดขึ้นมันก็รู้โทสะดับไปมันก็รู้แม้แต่ทั่งรู้สึกว่าใจที่เขาเรียกว่าใจนิ่งๆิๆ่งนิ่งนิ่งนิ่งนี้ก็เป็นสิ่งถูกรู้นะอะไรไปรู้ก็ใจนั่นแหละไปรู้ความนิ่งนะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ปรากฏในใจมันจึงไม่ใช่ใจใจจึงได้แต่รู้ ถามว่าใจมันพูดได้ไหมถ้ามันพูดได้มันก็เป็นสิ่งที่ปรากฏอันนั้นก็ไม่ใช่ใจอีกและใจก็ไปรู้เพราะนั้นใจเ่ใจแท้ๆมันไม่มีปฏิกิริยาอาการใดๆทั้งหมดมันได้เพียงแต่รู้มันได้เพียงแต่รู้เท่านั้นรู้รอบรู้แจ้งรู้จริงรู้ไม่ใช่คิดเอาแล้วมันรู้แล้วมันก็พูดอะไรไม่ได้เพราะถ้ามันพูดได้มันก็ไม่ใช่ใจอีก ถึงเขาบอกว่ารู้จริงของจริงนิ่งเป็นายของพูดได้จึงไม่จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราฟังมาน้อมเข้าไปฟังน้อมฟังแบบนี้มันก็จะเข้าใจได้เพราะสิ่งนี้มันพิสูจน์ได้นะเพียงแต่ว่าคําที่หลวงพ่อเอามาพูดเนี่ยมันเป็นคําสมมติเพราะถ้าไม่ใช้สมมุติมันก็จะแยกระหว่างสิ่งที่ปรากฏกับสิ่งที่ไม่ปรากฏไม่ได้ทีนี้ถ้าจะมาตั้งชื่อมันก็อยู่ที่ว่าใครจะตั้งชื่อก็คนนี้แหละไปตั้งชื่อ เช่นอาจจะตั้งชื่อว่าไอสิ่งที่เกิดดับในใจเขาเรียกว่าสังขารปรุงแต่งหรือธิรกิจแต่สังขารก็ได้เรียกอะไรก็ได้ที่มันเป็นสังขารสังขารนั่นนะเห็น ไ, ไหมคําว่าสังขารก็ยังเป็นคําสมมติเลยแต่ให้มันเข้าใจร่วมกันว่าไอสิ่งนั้นเนี่ทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นนะเขาเรียกว่าสังขารบางครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าจะเรียกว่าอาการก็ได้เออเป็นอาการนะเมื่ออาการเนี่ยมันแปรปรวนมันก็เกิดดับโอเคก็เข้าใจได้ เพียงแค่สมมติแล้ให้มันเข้าใจตรงกันส่วนใจนะจะเรียกว่าใจก็ได้แต่ดูคุณนะสมบัติของมันว่ามันเป็นความว่างไหมถ้ามันเป็นความว่างคือเป็นความไม่ปรากฏจริงนะและมันมีความรู้จริงๆอย่างเนี้ยจะเรียกว่าใจก็ได้จะเรียกว่าจิตก็ได้จิตเดิมแท้จิต ด, ดั้งเดิมอะไรก็ได้นะหรือจะเรียกว่าธาตุรู้ก็ได้หรือจะเรียกว่าพุท ธ, ธะก็ได้ อะไรก็ได้ขอให้มันเข้าใจเรื่องคุณนสมบัติของมันว่าเออมันมีคุณสมบัติแบบนี้ทีนี้อ่ะนะถ้ามีปัญญาอันนี้เป็นเรื่องของปัญญาว่าถ้าปัญญาเห็นตามเข้าใจตามได้อย่างนี้ก็เรียกว่าผู้ถ่ายทอดกับผู้ที่รับฟังการถ่ายทอดเนี่ยมันจะเป็นสิ่งเดียวกันคือรู้ร่วมกันรู้ตรงกันไม่ต้องอธิบายแต่ถ้าปัญญาไม่เท่ากันผู้พูด เสนอแบบนี้ผู้ฟังเข้าใจไม่ได้อย่างเนี้มันก็มันก็มันก็นกคือเาเรียกว่ามันปัญญามันไม่เท่ากันไงก็เลยมันก็เลยเห็นไม่เหมือนกันแต่ถ้าเท่ากันเนี่ยมันจะลงตัวกันพอดีเป๊ะ เ, เ, เลยใช่เลยใช่เลยอย่างนี้ยอเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลวงพ่อพูดมาเนี่ยไม่ต้องเชื่อแต่ให้พิสูจน์เราเองพิสูจน์เราเองนะจะได้ไม่ได้ก็เรื่องของสติปัญญาเพราะฉนั้นธรรมะสัจธรรมแท้เป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ทนต่อการพิสูจน์ ไม่ใช่ว่าใครออกมาพูดแล้วเชื่อหมดต้องทนต่อการพิสูจน์จริงจริงจึงจะเรียกว่าสัจธรรมแท้นะอันนี้ก็หลงวงพ่อก็พูดมาก็พอที่จะให้เป็นแนวทางที่จะให้เข้าใจในระดับการฟังส่วนฟังแล้วพิณาตามแล้วแล้วก็พิสูจน์เอาให้มันเห็นจริงเป็นภาวนาขงยัปปัญญาตรงนั้นแหละก็เป็นปัจจต่างไปนะหลพอก็พูดในช่วงนี้ก็คงแค่นี้ก่อน